จเจริญพรท่านผู้ท่านผู้จเจริญสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส8มกราคมพุทธศักราชสอง2ั้าเป็นวันพระ วันธรรมัสวานะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาอันแก่กล้าได้มาวัดเพื่อมาบงเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พึ่งทางใจที่สูงสุดเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองไม่ให้จิตใจต้องทุก์ต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเรามีศรัทธาความเชื่อในการตัดสรู้ของพระอาหารหันต์ั้งสมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าท่านรู้จริงเห็นจริง เชื่อในสิ่งที่ได้ทรงนำเอามาสั่งสอนแก่สัตว์โลกคือพระธรรมคำสอนว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำตามหลักความจริงเชื่อในพระรัตนเะชื่อในพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานที่พระบรมศาสดาได้ทรง บรรลุและได้ทรงนำเอามาสั่งสอนแก่สารโลกพวกเราสักวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้รับผลได้รับรางวัลเช่นเดียวกันกันกบที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับกันนั่นก็คือการสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเพราะความทุกข์นี้เกิดจากการเกิดนั่นเองเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพลากจากกันตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่อยากจะพบกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพลากจากกาันก็ต้องอย่ามาเกิด ทุกจึงไม่มีแก่ผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร่งทรงเห็นและรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้หลังจากที่พระองค์สามารถกระทาการยุติแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้แล้ว <c oughs> ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สารโลกต่อไป สารนอกผู้ที่ฉลาดเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะน้อมนําเอามาประพฤติปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่ท่านน้าหลายได้มาบําเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศคําธรรม เพราะนี่คือเหตุหรือเมล็ดของการตัดสรูนั่นเองถ้าเราเอาเมล็ดของการตัดสรูนี้ฝังเข้าไปในใจของเราแล้วทำนุบำรุงด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ช้าก็เลยพืชแห่งการตัดสรูก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ต้องสงสัยว่าจะมีอะไรอื่นใดในโลกนี้ที่จะดีที่จะประเสริฐเท่ากับพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทาได้เท่ากับพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างอื่นไม่มีสิ่งอื่นไม่มี คำสอนของศาสนาอื่นไม่มีที่จะพาให้ไปพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ามีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เพราะพระพุทธเจ้าเราก่อนที่จะตัดสร้ก็ทรงแสวงหาทรงศึกษาจากครูบาจารย์จากศาสนาอื่นมาจนกระทั่งรู้แล้วว่าไม่มีศาสนาใน ที่สามารถสอนให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าเลยต้องแสวงหาทางเองต้องปฏิบัติคลําไปเหมือนคนตาบอดแต่เป็นคนตาบอดที่ฉลาดเป็นคนตาบอดที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรบางครั้งก็เดินไปผิดทางแต่ก็ไม่ ไม่ดันทุรังเดินต่อไปเมื่อรู้ว่าทางนี้ไม่ใช่ทางก็ย้อนกลับมาสู่ทางที่ควรจะเป็นเช่นทรงอดพระกยายอาหารถึง49วันด้วยกันทรงคิดว่าร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทรงคิดว่าร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดของการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องระงับดับความความอยากที่จะไปเกิด ด้วยการไม่รับประทานอาหารเพราะคิดว่าเมื่อไม่รับประทานอาหารแล้วจะทําให้ความอยากหายไปหมดแต่หลังจากที่ได้ทรงอดพระกายอาหารถึง49วันก็เห็นว่าความอยากก็ยังมีอยู่ในใจก็รู้ว่าอ๋อความอยากนี้ไม่ได้อยู่ที่กายความอยากนี้อยู่ที่ใจความอยากนี้แหละที่ฉุดลากหรือผลักดันสัตว์โลก ให้ปัสวงหาพบชาติอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ในใจสัตว์โลกจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเป็นสุขได้จะต้องดิ้นรนจะต้องแสวงหาความสุขต่างๆเช่นแสวงหาความสุขทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างที่พวกเรายังแสวงหากันอยู่เรา วันหนึ่งไม่สามารถอยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆต้องหาอะไรทําต้องหาอะไรดูต้องหาอะไรฟังต้องหาอะไรดื่มหาอะไรรับประทานทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดื่ต้องรับประทานแต่ความอยากมันตัวคอยผลักดันให้อยากถ้าไม่ได้รับประทานตามความอยากก็จะทุกข์ทรมานใจ หรือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ทนอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปนอกบ้านไปหาทาไปหารูปหาเสียงหาเสียงหากลิ่นหารสหาผลทพะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเลความอยากนี่แหละคือตัวที่ผลักดันให้ไปเกิดใหม่เพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากนี้มันก็ยังไม่หยุดมันก็กจะเป็นตัวฉุดลาก ให้ใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าได้ทำบาปก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรแล้วถึงจะค่อยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายต่อแล้วก็ไปทำบุญบ้างทาบาบ้างพอตายไป ความอยากนี้ก็พาให้ไปเกิดใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะดังนั้นหลังจากที่ได้ทรงอดพกายาหารถึง49วันจังรู้ว่าการอดอาหารโดยลำพังนี้ไม่สามารถดับความอยากที่มีอยู่ในใจได้จึงย้อนกลับมาลำลึกถึงอดีตว่าสมัยหนึ่งในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาวอยู่ทรงประทับอยู่ตามลาพังจิตเกิดความสงบนิ่ง มีความสุขเกิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่มีความอยากที่จะต้องการอะไรอยู่เลยจึงเห็นว่านี่คือวิถีทางคือต้องทำจิตให้สงบให้ได้จึงทรงย้อนกลับมาเสวยพระกายอาหารหลังจากที่ได้เสวยพระกายอาหารพอมีกําลังที่จะบมเพ็ญต่อก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้ ไปจนกว่าจะดับความอยากทั้งหมดที่มีอยู่ในใจได้ด้วยการเจริญภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือทำจิตใจให้สงบนิ่งพอจิตใจสงบนิ่งแล้วก็จะระงับดับความอยากได้ในขณะที่อยู่ในความสงบนั้นแต่เนื่องจากความสงบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาเมื่อถอนออกมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งอยากก็จะเกิดความอยากอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทานี่อยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังต่อพระพุทธเจ้าก็เลยต้องหาวิธีมากําจัดความอยากนี้เวลาที่จิตออกจากความสงบแล้วและสิ่งที่จะทำให้ ระ ง, งับดับความอยากได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาคือส อ, สอนให้จิตรู้ทันว่าสิ่งที่จิตอยากได้นั้นมันไม่มีคุณประโยชน์แต่ตแก่จิตใจแต่อย่างใดมันไม่ได้ดับความอยากได้อะไรมาแล้วมากหรือน้อยเพียงไรก็ไม่หมดความอยากมีแต่จะทําให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเราได้คืก ต่อไปเราก็อยากจะได้สอกได้ศอกต่อไปก็อยากจะได้วาเป็นอย่างนี้ไปเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะเป็นเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายพลเป็นนายพลก็อยากจะเป็นแม่ทัพอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีที่สิ้นสุดของความอยากทรงเห็นว่าวิธีที่จะกาจัดความอยากได้ก็คือต้องใช้ปัญญาใช้ความฉลาด ต้องเพราะว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงเกิดความโง่ไม่รู้ว่าวิธีดับความอยากนั้นทำได้อย่างไรคิดว่าดับความอยากได้ด้วยการกระทำตามความอยากเวลาอยากจะได้อะไรมากๆมันทุกข์ทรมานใจมากก็ต้องออกไปหามาให้ได้อยากจะได้แฟนสักคนก็ต้องดิ้นรนหามาให้ได้คิดว่าเมื่อได้แฟนแล้วความอยากจะหมดไป แต่มันไม่หมดอะพอได้คนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกคนหนึ่งคนถึงมีแฟนหลายคนมีภรรยามีสามีหลายคนเพราะมันไม่ได้ดักที่การได้มาตามความอยากคนที่ไม่อยากจะมีความอยากนั้นต้องฝืนความอยากนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ต้องฝืนมันต้องเห็นโทษของสิ่งเห็นเห็นเห็นโทษของความอยากและเห็นโทษของสิ่งที่ได้มา ว่ามันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่เราคาดฝันไว้มันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเราได้อะไรมาแล้วเราได้ความสุขบ้างในระยะเริ่มแรกแต่ต่อไปเราก็จะเริ่มมีความทุกข์ตามมาทุกข์ที่เกิดจากความหวงทุกข์ที่เกิดจากความหวงทุกข์ที่เกิดความความเสียใจเศร้าโศกเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไป อันนี้เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขที่เราได้มาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะดับความอยากได้ไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรพิจารณาให้เห็นเถิดว่ามันมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขมีอะไรแล้วต้องทุกข์กับมันเสมอมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันทุกอย่าง เพราะต้องคอยดูแลรักษาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของเราเสมอไปเราอยากจะให้เขาดีบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดีเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่เราจะทำอย่างไรนี่นี่แหละคือความทุกข์ที่จะติดมากับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆ ถ้าเราพิจรารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมากกว่าเป็นสุขเป็นประโยชน์เราก็จะละความอยากได้ได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะหายหลงแล้วหายโง่แล้วเมื่อก่อนนี่โง่เห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมา ท, าทันทีโดยไม่เคยถามตัวเองว่ากําลังได้อะไรมากําลังได้ปลาไหลหรือกําลังได้งูพิษมา ตาคนตาไม่ดีเห็นงูพิษก็คิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะจับปลาไหลมาต้มแกงได้แต่หารู้ไหมว่าเป็นงูเหา่าพอไปจับมันเข้าก็ถูกมันกัดเอาทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่รู้จักไตรลักษณ์คือธรรมชาติหรือลักษณะของสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์ ตายักคืออะไรตายลักก็คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่สมบัติของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอดให้เป็นไปตามความต้องการของเราไปได้ตลอดนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราสามารถมองเห็นตายักในสิ่งต่างๆได้ เราก็จะไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆมาให้เป็นความทุกข์กับเรามาสร้างความทุกข์ให้กับเราเมื่อเห็นแล้วเราก็จะปล่อยวางจะไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบเมื่อสงบก็ได้กลับเข้าสู่ความสุขความสุขที่เลิศ ก, กว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนา สลับกับการเจริญสมถะคือสมาธิคือความสงบถ้าเราพิจารณาไปแล้วจิตรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักเราก็พักจิตอยู่ในสมาธิทำจิตใจให้สงบเย็นสบายพอจิตอิ่มตัวแล้วถอนออกมาเริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสอนจิตต่อไปสอนให้เห็นใจรักอยู่เสมอสอนให้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงสอนให้เห็นทุกขัง ความทุกข์สอนให้เห็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าสอนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะเบื่อนายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่อยากจะได้เพราะมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเองสู้อยู่ตามลำพังไม่ได้อยู่ตามลำพังจิตใจมีความสงบเย็นสบาย <Yeah. S 1> นี่แหละคือวิธีที่จะตัดความอยาก เมื่อเราตัดได้แล้วเราก็จะอยู่ของเราตามลาพังอย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีภาระกับใครไม่ต้องมีภาระกับอะไรนี่คือวิธีที่พระพุทธเ จ, จ้าได้ทรงบาเพ็ญมาตอนต้นก็ทรงเป็นพระราชาโอรสอยู่ในวังมีสมบัติมีเข้าของต่างๆมากมายมีความสุขมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีความทุกข์มากมายเช่นเดียวกัน แต่พอหลังจากที่ได้สละราชสมบัติได้มาออกมาบวชมาปฏิบัติจนสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้แล้วใจของพระองค์ก็มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตการเลยคือไม่มีวันสิ้นสุด เพราะจิตดวงนี้ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นจากคนนี้นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าของเราที่เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านเป็นคนผู้พบความจริงอันนี้ด้วยตนเองไม่มีใครรู้ว่าการที่จะยุติความทุกข์ ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นต้องยุติที่ความอยากที่มีอยู่ในใจและต้องยุติด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเรายังมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายเราก็ต้องสละให้หมดไปเลยแล้วก็ออกบวชมาจำศีลอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาพิจารณาปัญญาพิจารณาตายรักอยู่เรื่อย จนกระทั่งจิตจะสะอาดบอยสุดขึ้นมากําจัดความอยากความโลภต่างๆจนหมดสิ้นไปก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอาหารหันต์แปลว่าผู้สิ้นกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากต่างๆนี่เองผู้ที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง ผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าเป็นพระสัมมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ผู้ที่เรียนรู้จากผู้อื่นเช่นพระสาวกก็จะเรียกว่าสาวกเช่นพระอาหารหันต์สาวกนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยตนเองรู้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเพราะคนระดับพระอาหารหันต์สาวกนี้ ไม่มีปัญญาความสามารถมากพอที่จะสามารถรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองเช่นพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนบอกพวกเราว่าเราตายไปแล้วเราต้องไปเกิดใหม่เราก็ไม่รู้เราส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อตายไปแล้วก็จบเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเราไม่เห็นใจของเราทั้งที่ทั้งทั้งที่ใจของเรานี้เป็นตัวสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ทุกขณะทุกเวลาที่เรากำลังทำอะไรอยู่นี้ใจเราเป็นผู้สั่งการอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ต, ตลอดเวลาขณะนี้ผู้ที่กำลังฟังอยู่นี้ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ฟังอยู่นี้ก็คือใจเพียงแต่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือรับเสียงเข้าไปสู่ทางหูแล้วส่งไปที่ใจอีกทีหนึ่งถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจอยู่แล้วต่อให้ไปพูดกับร่างกายอย่างไรมันก็จะฟังไม่รู้เรื่อง เช่นไปพูดกับคนตายดูคนตายนี้ไม่มีใจอยู่แล้วไปพูดจนนันตายมันก็ไม่รู้เรื่องไปตะโกนไปกระซิบเลือกไปเขย่าร่างกายให้มารับรู้เสียงที่เราพูดอยู่มันก็ไม่รู้เพราะว่าตัวรู้ไม่ใช่ร่างกายตัวรู้ก็คือใจและตัวที่สุขนึกทุกข์ดีใจเสียใจก็คือใจตัวที่หลงตัวที่อยากได้ก็คือใจนี่แหละ คือเป็นตัวสำคัญที่สุดแต่เป็นนามธรรมาคําว่านามธรรมาก็คือไม่ใช่รูปธรรมร่างกายนี้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ใจของเรานี้เป็นนามธรรมาเป็นเหมือนคลื่นวิทยุโทรทัศน์อย่างนี้ขณะนี้รอบตัวเรานี้ก็มีคลื่นวิทยุโทรทัศน์อยู่ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีไม่มีลองไปเอาโทรทัศน์มาเปิดดูเราจะรู้ทันทีว่ามีหรือไม่มี นี่คือคลื่นของวิทยุเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตัวตาเปล่าของเราฉันใดใจของเราเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราต้องเห็นได้ด้วยการภาวนาทําจิตใจให้สงบเพราะเวลาจิตใจสงบใจจะแยกออกจากออกจากกายกายจะหายไปจากใจจะเหลือแต่ใจอยู่ตามลาพังจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือใจ เมื่อกี้นี้มีกายอยู่ด้วยถ้ามีกายปั๊บใจก็ถูกกลบไปหมดเหมือนกับเสียงที่มันจะกลบความความเงียบถ้าตามใดมีเสียงอยู่เราจะไม่ได้ยินความเงียบแต่ถ้าเราไม่มีเสียงอยู่เลยเราก็จะได้ยินความเงียบว่าเป็นอย่างไรฉันใดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเราต้องทําจิตใจให้สงบต้องนั่งสมาธิจนจิตรวมลงเป็นหนึ่ง พอจิตรวมลงปเป็นหนึง่งแล้วก็จะแยกออกจากกายก็จะรู้ว่าอ๋อกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเกิดไม่ใช่กายกายนี้ไปสู่ไปสู่เมนไปสู่ไฟไปสู่ความเป็นไปสู่ขี้เท่าต่อไปแต่ใจนี้แหละที่จะไปสู่พบน้อยพบใหญ่ตามบุญตามกรรม นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองยกเว้นคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะบำเพ็ญให้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเจ้าชายฉดสิท ธ, ธัตถะที่มีสติปัญญาความสามารถที่จะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของใจได้และเมื่อรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ใจก็คือความอยาก ก็สามารถตัดความอยากได้ด้วยการเจริญภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การจัตทรู้ด้วยการสนับสนุนของศีลคือการตั้งอยู่ในการประพฤติ ท, ที่ดีงามไม่ไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและเก็แก่จิตใจของตอนเองและทานคือการเสียสละ ตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในความสุขต่างๆภายนอกใจให้หมดไปถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วก็จะสามารถตัดความอยากทั้งหลายได้เป็นสิ่งที่ไม่เหนือวิสัยของพวกเราที่จะทํากันเพราะมีผู้ที่เป็นเหมือนพวกเราได้ทํามาแล้วคือพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพระสุปฏิปันโนทั้งหลายในเบื้องต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นปุถุชน มีกิเลตัณหาเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันมีสามีมีภรรยามีครอบครัวเหมือนกันมีอะไรต่างๆเหมือนกันหมดแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วและรู้ว่าเราสามารถที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้คือการไม่มีความทุกข์อยู่ในใจของเรานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราพอเราได้ยินได้ฟังเราก็เกิด ความยินดีเกิดศรัทธาขึ้นมาตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติจนในที่สุดเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะถ้าเราไม่สามารถแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาสั่งสอนผู้อื่นเขาก็ไม่เสียเวลาไปปฏิบัติผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกเขาก็มีความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็มีความเชื่อในความสามารถของเขาว่าเขาก็มีความสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางเราได้นอกจากความไม่เชื่อนี้เท่านั้นถ้าเราไม่เชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อในความสามารถในตัวเราเองเราก็จะไม่มีทางที่จะสามารถปฏิบัติได้แต่นี่เป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิด ความจริงแล้วพวกเราทุกคนนี้มีความสามารถมีบุญบารมีมาพอแล้วไม่เช่นนั้นจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้มาสนใจมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพียงแต่ว่าเราอาจจะปฏิบัติยังไม่มากพอเท่านั้นเองคือเราแทนที่จะปฏิบัติเต็มร้อยเรายังปฏิบัติเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นหรือ นึ่งในร้อยเท่านั้นเองผลจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่เพราะเรายังไม่ได้ทําบุญให้ทานอย่างมากมายเรายังไม่ได้รักษาศีลให้บ่อยสุดเท่าที่ควรเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเท่าที่ควรนั่นเองผลจึงยังไม่ปรากฏให้เราได้เห็นได้สัมผัสแต่ถ้าเราเริ่มเพิ่มการปฏิบัติของเราให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปรับรองได้ว่า ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้สัมผัสได้รับรู้ได้ครอบครองก็จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกคือไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาไม่ได้หมดไปกับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกแต่เป็นธรรมที่อยู่กับเหตุและผลอยู่ที่เหตุก็คือการปฏิบัติ ผลก็คือมรรคผลนิพพานหรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพรธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระ อ, อริยสงสาวกแต่อยู่ที่เราว่าเราจะบำเพ็ญเหตุให้เกิดผลนี้ขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่แล้วรับรองได้ว่า ผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดด้วยศรัทธานในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้